ได้ตรัสแสดงไว้ก็ได้แก่ความรู้ในทุกขความรู้ในสมุทัยเหตุให้เกิดทุกความรู้ในนิโรธความดับทุกความรู้ในมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกและก็ได้ตรัสแสดงอธิบาย ไปทุกข้อตั้งตนแต่ข้อทุกได้แก่ทุกคือความเกิดทุกคือความแก่ทุกคือความตายอันเรียกว่าเป็นสภาวะทุกทุกตามสภาพคือเป็นความทุกที่ มีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุปัจจัยของตนเองและก็ได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกทางใจและทางกายอย่างอื่นต่อไปก็คือความโศก แห่งใจเป็นทุกข์ความรัโจนค่ำครวนใจเป็นทุกข์ความไม่สบายกายเป็นทุกข์ความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความขับแค้นใจเป็นทุกข์ทุกทางใจและทุกทางกายเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้น แก่จิตใจและแก่กายเรียกว่าเป็นปกินกระทุกคือเป็นทุกข์เบ็ดเตล็ดต่างๆซึ่งมีอธิบายว่าทุกข์ที่บังเกิดขึ้นทางใจก็บังเกิดขึ้น เป็นครั้งเป็นคราวบางเกิดขึ้นอย่างนั้นบางเกิดขึ้นอย่างนี้และทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นทางกายก็มุ่งหมายถึงความเจ็บป่วยทางกายที่บังเกิดขึ้นในเวลาที่มีโรคภัยใครเจ็บเมื่อไม่มีโรคภัยใครเจ็บก็เหมือนอย่าง ไม่เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นบงก็เป็นสิ่งที่บางเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเข้าในหมวดปกิณกะทุกทุกเบ็ดเตล็ดแต่ว่าเมื่อเพ่งยางละเอียดแล้วก็ไม่ตรัสแสดงไว้เหมือนกันว่า แม้ทุกทางกายอันเรียกว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นอันที่จริงนั้นย่อมมีประจำอยู่ตลอดเวลาจับพิจารณาดูที่ร่างกายอันนี้ก็จะเห็นว่า มีตัวอ า, าพาธมีพยาธิประจำอยู่ตลอดแต่โดยปกตินั้นก็มีการบำบัดแก้ไขกันไปได้อาการของพยาธิหรือของโรคของอ า, าพาธจึงไม่ปรากฏ เหมือนอย่างเมื่อนั่งนานๆเมื่อยก็เป็นความอพ า, าธทางกายอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียเมื่ยก็หายเป็นรู้สึกสบายซึ่งอันที่จริงความสบายนั้นปรากฏขึ้นก็เพราะมีการแก้ไขตัวทุก ซึ่งนับว่าเป็นอาพาธหรือเป็นพยาธิความป่วยไข้ซึ่งมีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วแม่ความป่วยไข้ก็มีประจำอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะแก้ไขไปได้ก็ไม่ปรากฏแม่ความโศกเป็นต้นซึงเป็นทุกข์ทางใจก็เหมือนกัน เมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ย่อมจะต้องมีโสกกระติัยวะเป็นต้นประจำอยู่ในจิตตลอดไปเหมือนกันคืออาการของจิตที่ยังมีกิเลสนั้นจะต้องมีความแห้งผากมีความดันจวนมีความไม่สบายใจมีความขับแค้นใจ แต่ว่าเพราะเหตุว่าแก้ไขไปได้ก็รู้สึกว่ามีความสุขใจมีความสบายเพราะแก้ไขได้เป็นครั้งเป็นคราวไปแต่ว่าอย่างละเอียดนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองเพราะยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ก็เป็นทุกข์ที่มีอยู่ประจำเหมือนกันแต่ว่าเป็นทุกข์ที่แก้ไขไปได้เป็นครั้งเป็นคราวจึงปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาจึงทำให้รู้สึกว่าเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่เสมอไปจึงได้จัดเข้าเป็นอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดประกินอากาศทุกข์และต่อจากนั้น ก่อนในตรัสสรุปเข้ามาเป็นสองหมวดคือความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักกับความรัดทราบจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ที่ทรงชี้ถึงตัวเหตุประกอบไว้ด้วย ก็คือทุกข์เพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักและตัวทุกข์จริงๆนั้นก็คือโสกปริเทวเป็นต้นนั่นแหละซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะความประจวบกับความพลัดพราก อันไม่เป็นไปตามความปรารถนานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ส ร, รุปเข้าไปเข้าอีกเป็นข้อเดียวคือปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์และเมื่อส ร, รุปเข้าดังนี้แล้วก็จะเป็นอันว่าได้ทรงชี้ให้เชื่อมโยงไปถึงตัวสมุทยัย คือตัวความปรารถนาซึ่งตรัสเข้าในข้อซึ่งได้ตรัสไว้ในข้อสมุ ท, ทยัยอันเป็นอริยสัจข้อที่สองและก็ได้ตรัสสรุปเข้าในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการมาเป็นทุกก็คือโูปอันเป็นที่ยึดถือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้รวมเข้าเป็นรูปและนามรูปก็คงเป็นรูปนามก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงรวมเข้าเป็นรูปแลนนามอันเป็นที่ยึดถือ และก็เป็นอันว่าได้ทรงชี้เอาตัวอุปาทานคือความยึดถือเป็นตัวสมุทัยคือเป็นตัวเหตุอันม่งถึงว่าถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นตัวทุกข์ซึ่งเกิดเพราะกิเลส เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความยึดถือก็ไม่ต้องมีโสกะมีปริเทวะเป็นต้นและตัวขันห้าหรือนามารูปนั่นเองก็ยังต้องมีสภาวะทุกข์คือเมื่อต้องมีแก่ต้องมีตาย และก็ต้องมีป่วยเจ็บอันเป็นตัวพยาธิแต่ก็ไม่ยึดถืออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้จะมีสภาวะทุกข์อยู่ก็ไม่ยึดถือในสภาวะทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์แกนามรูปหรือแก่ขันธ์ห้าเอง หรืออีกอย่างหนึง่งกล่าวได้ว่าเป็นคติธรรมดาของขันห้าหรือนามารูปเองซึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นกติธรรมดาหรือเป็นตัวธรรมดา ไม่เป็นทุกขในอริยสัจอันเกิดจากสมุทัยคือตัณหากุปาทานดังที่กล่าวมานั่นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงทุกขอริยสัจนี้เป็นอริยสัจข้อแรกแต่ว่าจะ มีความรู้เข้าถึงสัจจข้อนี้ได้ก็จะต้องได้ปัญญาในการปฏิบัติในกรรมอันเป็นข้อธรรมวิจยะสัมโพธชงมาก่อนและก็ได้สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเป็นบาทและกิจที่ประกอบด้วยสมาธิอุเบกขานี้ไปพิจารณา จึงจะเห็นทุกได้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้นขอขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรม และประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญาในธรรมนั้น เรียกอีกคำหนึ่งว่าธรรมจักขุหรือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมซึ่งพระบรมศ า, ศาสดา เมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้วก็ได้มีการแสดงต่อไปอีกว่าธรรมจักสุ ค, คือดวงตาเห็นธรรม เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนทัญญาว่ายังกินจิสมุดยะธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสับบันตังนิโรธธรร ม, มัง สิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ซึ่งท่านแสดงว่าท่านพระโกนทันยะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ธรรมาจาักสุดวงตาเห็นธรรมดังกล่าวนั้นดวงตาเห็นธรรมนี่เมื่อพิจารณาดูถ้อยคำ ตามที่แสดงไว้ก็กล่าวได้ว่าเป็นการเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกนั่นเองแจ่มชัดขึ้น มันทำให้ตัดสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้ในบางส่วนดังที่เรียกว่าตัดสัญญต์กิเลสเป็นเครื่องผูกใจ ได้สามข้อคือสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่ากายของตนวิจิกิชฉา ความเครือบแคงสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นและศีลพัตตปามาณความโลภครํายึดถือในศีลและวัดปฏิบัติ ด้วยอำนาจตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากข้อสมนี้ก็มีอธิบายทั่วไปว่าศีลปตรปรามาดนั้น ก็คือการยึดถือปฏิบัติในศีลและวัดไปในทางถือครั้งต่างๆซึ่งคำนี้ก็บ่งถึงว่า ถือครั้งว่าจะบันดาลให้บังเกิดผลที่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อันการถือครั้งดังนี้ ก็บ่งว่ามิได้เป็นการที่ได้ถือตรงเข้ามาวันศีลและวัดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับที่จะละกิเลสต่างๆ ซึ่งเมื่อปฏิบัติในศีลและในข้อวัตรปฏิบัตินั้นๆก็เพื่อละราคะหรือโลภะโทสะโมหะไม่ได้มุ่งผลอย่างนั้นอย่างนี้แบบถือครั้ง ฉะนั้นเมื่อยังมีการถือครั้งอยู่ก็แสดงว่ายังมีตัณหาคือความอยากเช่นอยากจะได้ผลอย่างนั้นอยากจะได้ผลอย่างนี้เป็นกามาตัณหาภาะวะตัณหาวิภวะตัณหา เมื่อเป็นดังนี้ปฏิบัติในศีลและวัตถปฏิบัตินั้นๆก็ยังไม่เป็นทางตรงไปสู่การละกิเลสคือไม่ใช่เพื่อละกิเลส แต่เพื่อให้เกิดผลตามที่กิเลสต้องการเห็นกิเลสต้องการลาบต้องการยศกปฏิบัติในศีลและวัตรปฏิบัตินั้นๆเพื่อให้ได้ลาบได้ยศไม่ใช่เพื่อให้ได้มรรคผลนผิพพาน ซึ่งเป็นการละกิเลสและกองทุกการปฏิบัติในศีลและในวัตถปฏิบัตินั้นๆแม้ว่าจะเป็นศีลและวัตถปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เมื่อยังถือครั้งอยู่ดังนั้น ก็ยังเป็นศีลััพตปรามาณอีกอย่างหนึ่งอธิบายที่ยากไปกว่านั้นก็คือถือศีลและวัตถปฏิบัติภายนอกพุทธศาสนา เพื่อผลต่างๆตามที่ต้องการส่วนการปฏิบัติศีลและวัดในพุทธศาสนานั้นเมื่อยังมีการถือครั้งอยู่ก็เป็นศีลศิลปปรปรามาณเช่นเดียวกัน และเมื่อยังมีรั์ศีลปฏประมาจอยู่ดังนี้การรักษาศีลและวัดก็เป็นไปเพื่อผลที่กิเลสต้องการ อันหนึ่งเมื่อแสดงโดยละเอียดการรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติแม้ในพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อละกิเลสโดยตรง ไม่ได้มุ่งหลาบผลเป็นต้นแบบถือครั้งดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าในการปฏิบัติจำต้องมีการรักษา ศีลก็ต้องรักษาวัตถปฏิบัติก็ต้องรักษ า, กกษาเพราะว่ายังมีกิเลสที่อาจบังเกิดขึ้น ทำให้ปฏิบัติผิดศีลผิดวัตถปฏิบัติต่างจึงต้องรักษาด้วยอาศัยสติรักษาอาศัยวิรัศติเจตนา ความตั้งใจงดเว้นรักษาศีลจึงจะดำรงอยู่และวัตถปฏิบัติต่างๆจึงจะเป็นไปได้แม่ศีลที่ยังต้องรักษาวัตถปฏิบัติที่ยังต้องรักษาอยู่ดังนี้ก็เป็นศีลและวัตถรป ARAMAT ราายังละเอียดเหมือนกัน และบางทีรักษาไม่ถึงใจรักษาแค่กายแค่วาจาแต่ว่าจิตใจนั้นยังดิ้นรนกวัดแกงกระสับกระส่ายวุ่นวาย ต้องการที่จะละเมิดคือว่าศีลยังไม่ถึงจิตใจจิตใจยังวุ่นวายกลุ่มกลัดแม่ดังนี้ก็เป็นศีลป ร, ประดับปรามาสอีกเหมือนกัน แต่ว่าในการรักษาศีลปฏิบัติในวัตถบริบัติต่างๆแม้มุ่งที่จะละกิเลสในเบื้องตน้นก็ต้องรักษาศีล ร, รักษาวัตถบริบัติไว้ดังที่กล่าวมานี้โดยที่จะต้องรักษาสติ รักษาเวรติเตตนาไว้ให้มั่นคงเศรษฐิยงจะดำรงอยู่และวัตถปฏิบัติต่างๆจึงจะดำรงอยู่เบื้องต้นก็ต้องเป็นดังนี้ก่อนต่อเมื่อได้ตั้งใจรักษาศีล รักษาวัตถปฏิบัติให้มีความคุ้นเคยในศีลในวัตถปฏิบัตินั้นๆมากขึ้นจนสามารถที่จะรักษาศีลรักษาวัตถปฏิบัติให้ถึงจิตใจได้